คถารวมวินีตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องหญิงหลับ 1 เรื่องเรื่อง 1 เรื่องเรื่อง 1 เรื่องเรื่อง 1 เรื่องเรื่องหญิงบันเถาะ 1 1 เรื่อง 341 สมัย ชายพระคุณเจ้าหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อ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 เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาธิษษแต่ต้องอาบัติทุกกฎเร 2 เรื่อง 1 เรื่องสมัยนั้นชายคนหนึ่งว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไป จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาธิเสสแต่ต้องอาบัติทุกกฏเร 3 เรื่องไม่ใช่หญิง 1 เรื่องสมัย ไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าค่ะใช่ผู้หญิงเจ้าค่ะท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาธิษษหรือหนอเรไมเร 4 เรื่อง 1 เรื่องสมัยนั้นชายคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุนั้นไปถามพวกชาวบ้าน เรื่องชักจูงสามีปัญญาผู้ทะเลาะให้คืนดีกัน 1 เรหนึ่งทะเลาะกับสามีเดินไปภิกษุที่ใกล้พูดชักให้กลับคืนดีกันแล้วใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาธิเสกหรือหนอจึงนำเร ยังภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขายังไม่อยากกันเร 6 เรื่องการชักศีรษะบรรโดษ 1 เรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาธิษษ7 สัญญะ 5 จบ 3 อนิจจตกัน คำคืออนิจจต 1 ปฐมอนิจจต 2 ต่อ 2 เรื่อง 443 สมัยนั้นพระผู้ เกครงสาวถีครั้งนั้นท่านพระอุทยีเป็นพระประจำตระกูลในกรุงสาวถีไปมาหาสู่ ชาวบ้านตอบว่าเขายกให้ชายหนุ่มตระกูลโน้นไปแล้วเจ้าค่ะตระกูลนั้นก็เป็นอุปถารของท่านพระ นางวิสาขามิคารมานดาตำหนิพระอุทายีสมัยนั้นนางวิสาขามิคารมานดามีบุตรหลานมากมีบุตรหลานล้วนไม่มี นั่งบนอาสนะที่กำบัง แม่ถูกนางวิสาขาว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อนางวิสาขาจึงว่าไฉนท่านพระอุทายีจึงนั่งบนอาสนะที่กําบังในที่ จึงนำเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ พระผู้มีพระภาคพระเจ้าทรงตำหนิว่าโมคคบุรุษการกระทําของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามโมคคบุรุษ 444 ก็ภิกษุใดนั่งบนอาสนะ 2 ต่อ 2 อุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้อย 3 อย่างคือปาราชิกสังฆาธิเสสหรือปาจิตตีย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัติอย่าง บรรดา 3 อย่างคือปาราชิกสังฆาธิเสกหรือปาจิตตีย์อีกอย่างหนึ่งอุบาสิกาอนิยตะเรื่องพระ 445 คำ คือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ กระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่า ที่ชื่อว่าที่ลับหูหมายถึงที่ซึ่งไม่ม่านต้นเสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคํา ภิกษุนั่งใกล้หรือนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้หรือนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคน คำว่าได้เห็นคือได้พบอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้กล่าวโทษด้วยอาบัติอย่าง กล่าวโทษด้วยอาบัติใดภิกษุ 446 ถ้า ดิฉันเห็นพระกุลเจ้ากําลังนั่งเสพเมถุน ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนั่งเสเมถุนกลับถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนพึงปรับอาบัติเพราะนอนถ้า อุปาติกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุลเจ้ากําลังนอนเสพเมถุนกับมาตุคามและภิกษุ ดิฉันเห็นพระคุณเจ้า 448 ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลัง <Jugend S 1> <plac off> พึงปรับอาบัติเพราะนอนอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืน อาตมานอนจริงแต่ไม่ได้ถูกอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัติเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืน 449 ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณ และภิกษุนั้นยอมรับการนั่งนั้นพึงปรับอาบัติแล 450 ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าว ละภิกษุนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับอาบัติเพราะนอนละถึงอาตมาไม่ได้นอน พึงปรับตามอาบัติภิกษุยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติภิกษุยอมรับ ภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัติพึงปรับอาบัติเพราะนั่ง ว่าด้วย 2 ต่อ 2 เรื่อง 452 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับ พอจะทําการได้กับมาตุคาม 2 ต่อ 2 จึงนั่งเจรจากล่าวว่าพระ การที่ท่านนั่งในที่รับกับหญิงสาวว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ แต่นายท่านพระอุทยีจึงนั่งในที่ เธอ 2 ต่อ 2 จริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มี 2 ต่อ 2 เล่าโมฆบุรุษการกระทําอย่างนี้ 453 ข้อสถานที่ไม่ใช่อาสนะที่กำบังไม่พอจะ 2 ต่อ 2 อุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้ หรือปาจิตตีย์ภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูกคือสังฆาธิเสกหรือปาจิตตีย์อีกอย่างหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อถือได้นั้นกล่าวโทษเรื่องพระอุทายี 454 คำว่าอ้อสถานที่ไม่ใช่อาสนะที่กำบังอธิบายว่าอาสนะเปิดเผยคือไม่ได้กำบังด้วยฟ้าบานประตู คืออาจจะพูดเกี่ยวมาทุกข์ด้วยคําชั่วยาก ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ 2 ต่อ 2 ได้แก่ภิกษุ ที่ชื่อว่าที่รับๆก็ไม่ รู้นั่งทั้ง 2 คนหรือ 2 คนอุบาสิกาชื่อว่ามีวาจาเชื่อถือได้คือหญิงผู้บรรลุผล กล่าวโทษด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัติ 2 อย่างคือสังฆาธิเสสหรือปาจิตตีย์ภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูก บทภาชณีปริญญาตกรณะเห็นกำลังนั่งถูกต้อง 455 ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉัน อาตมานั่งจริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกายพึงปรับอาบัติเพราะนั่งถ้าอุบาสิกานั้น อาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติเห็นกําลังนอนถูกต้องกายถ้า อาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติได้ยินกําลังนั่ง อาตมานั่งจริงแต่ไม่ได้พูดเกี่ยวหญิงด้วยวาจาชั่วหยาบพึงปรับอาบัติ แลภิกษุนั้นยอมรับการนอนพึงปรับตามอาบัติละถึง 456 ถ้า Ri chan hee n p p r k bills n 2 ต่อ 2 6. A n k n a y'm ge em g a yob g r ถึง Orелен wae yamii bei n a n y解 n yung P Michelle, Pkeepers n of me itel u r yi r u r e p I n o n yung Íaap158. BND I mos m g w an interested ni e s sour Heun non n p ละภิกษุนั้นยอมรับการนอนพึงปรับอาบัติเพราะนอนละถึงอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึง ภิกษุยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติภิกษุยอมรับการ ภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตเพิ่มปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตเพิ่มปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตเพิ่มปรับอาบัตเพราะการนั่งภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่เพิ่มปรับอาบัตทุติยะ <ại> บท 458 ท่านทั้งหลายธรรมคืออนิจจต 2 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคืออนิจจต 2 2 ว่าท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคืออนิจจต 2 สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึง 2 สิกขาบท 1 ปฐมอนิจจตสิกขาบท 2 ต่อ 2 ก็นั่งในที่รับ